t ับตาลึกซึ้งแปเพียงรกลบดาปติอพรรณนาเห็นลีลาาใจ สิ่งรอบรายกลับกลายพิรมสิ่งความไร้มนุษย์อันหยาบเรียบ ban ความสร่